อัมโยนิโสในเสียงก็คือมันนะถ้าขั้นเจริญสติปัฏฐานก็อย่างที่ท่านบอกอย่าถือเอาๆต่ําๆ โดยนิมิตว่าเป็นเสียงของใครนะฮะโดยอนุพยัญชนะเค้ามีรายอื่นๆเป็นอย่างไรแล้วก็ว่าไม่เป็นโยนิโสมนติการ คำใจในส่วนต่ําๆนั้นเอาไปว่าขนาดธรรมขนาดปังธรรมโยนิโสมในระดับปังธรรมเราจะบอกว่าถึงถึงต่ําๆตรงๆคําตามอย่าไปเป็นที <c oughs> โยมน่ะฟังที่ฉันได้สัญญาคําคําศรัทธานี้อะไรเงี้ยแล้วท่านอธิบายเรามาให้ตั้งใจ ไม่คําเตือนร้องเรียกแต่ละที่มันท่านจะไม่ได้บอกหรอกแต่ว่าพูดอย่างนี้แล้วคนจะรู้และที่รู้เนี่ยจะรู้ได้อีกความที่ได้ยินได้ฟังวิธี เวลาบางคนที่ฟังก่อนฟังก่อนนี่ใจเย็นนี่นั่งลง บางคนก็ไม่ได้มันก็ได้ทีนี้เอาเรื่องถึงบอกว่าทําได้หรือไม่เดี๋ยวก็ว่ามันทีนี้ถ้าคนที่เข้ารู้หลักเข้ารู้ให้ว่าขณะนี้ศรัทธาวิยยปฏิสมาธิปัญญาเราอันไหนครบก็ให้ทําอันนั้นให้ ศรัทธาถ้าถ้าคนขาดศรัทธาแล้วทําสมาธิถ้ากําหนดอยู่ในสมาธิ มีคนที่เอาไปฟังที่จุฬาก็บอกมันนะแล้วผมก็เลยเลยไม่ว่าครับเวลากําลังหลับตาฟังผมพูดทั้งสมาธิเลยได้ทั้งปองสัมมาไป ก็มีวิธีสอนไว้ในที่ต่างๆถ้าฟังด้วยปัญญาเนี่ยคือฟังๆอันนี้คิดแยกให้ดีปัญญาทั้งนั้นหรือ มันมีแล้วก็โยมไปถึงที่เรามีประสบการณ์ในทางการ หมายถึงว่าศรัทธาจําว่าเรารู้ว่าคนพูดเค้าพูดผิดน่ะแต่ไม่ได้แปลนะเหมือนอย่างเมื่อ ไปอ่านหนังสือของท่านมหาสีทะยะดอมาอ่านอ่านแล้วเกิด บุคคลผู้นี้มีพลังปัญญาสูงมากและสิ่งเนี่ยอันนี้ แต่สิ่งที่ท่านจะอธิบายเรื่องต่างๆจะต้องมีคุณค่าอย่างนี้แต่เค้าคิดจินตนาการไปในๆมันก็ นั่นก็เป็นได้อย่างคือฟังแล้วจิตสงบนะฮะก็เหมือนเราบอกไปฟังธรรมะเนี่ยแต่ละคนนึงมีรู้เค้าเรียนทาง บางรุ่นเนี่ยคนที่เค้าเรียนมาทางเราเค้ารู้ดีกว่าแต่เค้าก็มีความสุขที่ได้ฟังจะเค้าฟังคนพูดด้วยจะฟังคือฟังความ คนที่เขาพูดผิดแล้วจะต้องไม่มีศรัทธามันก็มีมุมต่างๆของต่างๆเหล่านี้ก็ก็ นี่ยกตัวอย่างว่าเป็นเป็นการโยนิโสมในการฟังธรรมนะทีนี้ถ้าหากว่าคนอื่นเค้าด่าเรา <ม. S 1> ผู้รู้ท่านเอ่อนักวิชาด้วยแล้วก็เป็นนัก ไม่ต้องหนีไม่ต้องหลอกตัวเองด้วยประการอื่นทํานองนี้ให้นึก ถ้าเขาด่าเราเดียวเข้ามาทุกข์ปฏิเรานี่ก็จะขึ้นนึกตามสอนทุกข์ตีเราเดียวค่าเราทําไมให้ขึ้นคํา เป็นเรื่องไม่รู้จบเรื่องไม่รู้จบทํายังไงก็ได้ที่จะทําให้จิต ทำเนี่ยเราไปทําโง่ดอกพะนะหรือแล้วเราทําเนี่ยทําได้จริงๆหรือคือเหมือนกับเราเนี่ยเราคิดกันว่าทําใจๆคําว่าทําอย่างงูอย่างนี้ ทำไม่ได้ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเราคิดหรือว่า <c oughs> มันทําลําบากแล้วเราก็ว่าไอ้จุดอ่อนเราเนี่ยมันก็มีทุกคนว่าไอ้เราจะทําใจไม่ได้เนี่ยไอ้ที่ก็เพราะเหตุปัจจัยทําไม่ พระคําว่าธรรมใจนะธรรมเหตุปัจจัยนะ การคบหาๆก็คือว่า 1 การใช้เหตุปัจจัยภายนอก นี่คือส่วนไหนคือหาอารมณ์จังสมว่าอย่างนี้ดีหาความรู้หามิตรหา <c oughs> อย่างที่เราต้องการได้ที่เราต้องการได้ไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีทางทําได้ครับเช่นคนจะตายเนี่ยเราก็พยายามจะเสนออารมณ์เสนอการๆบางอย เป็นปัจจัยข้างนอกเขาช่วยตัวเองไม่เต็ม 25 ข้างนอก 75 ก็ต้องปะดีๆหน่อยมีวิธีหน่อยก็มาช่วยได้ถ้าข้างใน 25 ข้าง ที่ thinking มีหน้าวันนึงก็หลายองค์แหละเห็นมั้ยสมภพนางพระเทวาตัสด้วยปะอ่าตีนั้นจึงไม่ใช่เรื่องพละกําลังเป็น คือผู้ถ้าไม่มีผู้จัดการการคือความพยายามใหม่ที่ก็บอกว่าเต็มที่แค่ไหนมันก็อยู่ที่ว่าของเก่ามาใช้ มันก็เป็นไปตามอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราได้ๆมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติคือความ แต่คนนี้ก็ทําจนอยู่ตัวเนี่ยละแก่ๆอุบาสกแก่ๆอุบาสิกาแก่ๆก็เดินได้ทั้งคืนเขาเนี่ย <c oughs> คนแก่ผู้ชายก็มีผู้หญิงอ่ะนะที่ไปขึ้นเก้าที่ลัด ถ้าเค้าเดินจนชินตั้งแต่เล็กจนโตแล้วนะก็หามไปตั้ง 4 กว่ากิโลขึ้นเขาสูงเนี่ยเนี่ยตัวแค่ มันก็เลยต้องรู้สึกกับต้องพยายามมาก อำมาตย์คนแล้วเอาตัดลายกันตัวงูก็ได้งูเห่ามันปุฉกจะกัดเหล่าเนี้ยเรามีอาวุธอยู่ในมือไปเจอมันแล้วฟาดเปียงเลยมั้ยอ้าวนี่พูดถึงอย่างเรานะเรา เป็นคนอื่นแล้วก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะนี่เป็นเรื่องเนี่ยมันนะที่ว่าชี้ให้ดูมันอยู่ตรง ตัณหวนาต้นคืออย่างนี้เช่นท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงมัคคิการให้ดีจงใส่ใจให้ เกิดแล้วก็เป็นไปตามกระแสของอารมณ์ชวนะเกิดไอ้ชวนะนั้นเป็นความตั้งใจเกิดตรงชวนะนั้นผู้จะฟัง จะได้เหตุผลอะไรแล้วแต่กายจะสั่งสมไปอย่างไรพอ เพราะฉะนั้นเราจึงพูดว่าชวนะของวิธีแรกคือการทําใจเพื่อใส่ใจแล้วก็ชวนะ ตัวทําใจตัวโยนิโสท่านเอาองค์ธรรมที่โวตปนะเพราะว่าตัวโยนิโสเนี่ยมันก็ มันมีทั้งที่เราไม่รู้ตัวคือไม่รู้ว่าไอ้ที่ที่รู้แล้วว่าไอ้ที่เราต่อการตัดสินใจใจก็หรือที่เราเตรียมความรู้สึกไว้จะป้อนหน้าก่อนที่อารมณ์มันจะมาถึงก็ดี นี่คือรูปโตลงน่ะพออารมณ์นั้นมาถึงอารมณ์นั้นเข้ากระแสกลองทวารแห่งวิถี เกิดด้วยเหตุใกล้ชิดคือวิธีนี้คืออวตนะในวิธีเดียวกันส่วนไอ้ที่ <waters. t ops> ก็เลยว่าโยนิโสมนสิการของเราที่เกิดเนี่ยมันมี พออารมณ์มากระทบไอ้นี่มันก็ทํางานไว้ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวทั้งเตรียมใจและไม่เตรียมใจในนะฮะมันไม่ได้เป็น ไอ้ตัวอื่นนั้นเป็นแต่เพียงสังสมเอาไว้ใช้สังสมเป็นเป็นผมชี้ให้ดูศัพท์ๆ ปันติโยนินี่นั่นน่ะความหมายเหตุแปลว่าเหตุเหตุอย่างเช่นพูดถึงกําเนิด 4 ต่างๆกันก็ ที่คนที่คิดไปถึงเหตุเนี่ยเป็นลักษณะของความแม้แต่ว่าฟัง หาหลักฐานในพวกนี้น่ะหรือทําไมถึงพูดอย่างนั้นอะไรก็แล้ว คนที่เป็นคนมีเหตุผลนั่นเองครับความคิดมีเหตุผลเลื่อนด้วยเหตุผลคนนั้น อย่างมีเหตุผลอย่างเข้าเออบ่เอนี่เราแบบทำนองว่า <c oughs> โลกสัพพนจิตนี้เรากลับมาจิตต่างโลก เข้ามาทางนี้เนี่ยแสดงออกตรงนี้ตรง เป็นกรรมและกิเลสครับชวนะตั้งแต่ชวนะเป็นกรรมและกิเลสใหม่กรรมและกิเลสใหม่ ของสังสารวัฏเนี่ยเอากิเลสเป็นเป็นตัวสําคัญแต่ว่าถ้าเราพูดคือกุศลนิบาต อาจว่ากิเลสก็ดีบารมีก็ดีนี่เป็นเป็นทุนที่มาแสดงอะไรต่ออะไรในส่วนตรงนี้เสร็จแล้วก็ถึง นะไม่อิสระจากนิสัยเราสามารถที่จะเรียกว่าให้ข้อมูล คือหมายความว่าอารมณ์ไม่ดีเราก็มัน อ่าตัดสินวิบากที่ไม่ดีให้เป็นอกุศลชวนะก็ ตัดสินให้เป็นบุญก็ได้หมายถึงเป็นกุศลก็วิบากที่ดี ตัดสินดีดีหมายถึงกุศลวิบากอกุศลเจวนะดีตัดสินเป็นชั่วแล้วก็ชั่วตัดสินเป็นชั่วชั่วตัดสินดีถ้าสลับไปสลับมาเดี๋ยวจะลองอธิบายให้ <c oughs> <c oughs> เป็นอารมณ์ที่ดีแล้วก็วิบากที่ดีด้วยสมมุติว่าไอ้ไอ้ส่วนต้นเนี่ยวิบากจิตก็ดีอารมณ์ก็ดีไอ้อวิบากจิตกับอารมณ์น่ะก็จะเช่นว่าตะวิปัญญาวิญญาณจิตจับสู่ ก็รวมอยู่ในที่เดียวกันว่าถ้าดีก็ดีทั้ง 2 ส่วนส่วนถอยขึ้นไปจากวโว ได้เห็นรูปที่ดีที่สําเร็จมาจากกุศลวิบากแล้วพอมาถึงโยคปนะตัดสิน โลภะใช่มั้ยล่ะนั้นดีต้องหมายถึงเป็นกุศลชวนะจะเป็นกุศลชวนะแบบใด มักจะเกิดกุศลชวนะหรืออกุศลชวนะเกิดอกุศลชวนะอย่างเทวดาเหมือนกันไปอยู่บนสวรรค์ได้รับรูปเสียงแต่ชวนะของ สงฆ์มาให้เป็นอกุศลชวนะอ้าวทําไมเป็นงั้นล่ะดวงนี้ล่ะฮะน่ะเดี๋ยวอธิบายถ้าเดี๋ยวจะหลุดไปมันมาจากสาเหตุ 2 อย่าง คนที่เมื่อทํากุศลเนี่ยมันมีอารมณ์มีเหตุการณ์ ต่อเวลาไปสู่วิบาตนําไปในอาหารนะหรือวิธีก็เปลี่ยนรูปวิบาตให้เป็นอย่างอื่นทําหาอกตปาไม่ได้ไปด้วยนะใช่เกิดไม่เกิดไอ้กุศลแต่ถ้า <c oughs> อารมณ์อื่นที่ตัวเองเกี่ยวข้องมาสัมบัติ เมื่อได้สนใจแล้วมันก็ลืมพระใช่มั้ยสงบปรารถนาแล้วก็หลุดล้ําคํา ก็ไปสัมปูลพอมาทําบุญเสร็จแล้วตัณหาก็ยึดไว้โดยความเป็นกรรม มันตนๆกันทั้งบุญทั้งบาปแล้วสังสม 2 อย่างฮะแต่มันคนละวิถีกันไอ้ที่ผมพูดมาตอนต้นมันพูดถึง บางทีก็เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกันแล้วแต่เนี่ยมันหนักไปข้างไหน เราจะไปหาภูมิธรรมธรรมก็ไม่คนมีกิเลสยังในทางกิเลสปนๆไว้หน่อยๆพวกคนโลกเนี่ยมันมันเป็นอย่าง เนี่ยว่าคนเป็นโลกทำบุญที่ให้หายมั้ยเป็นกิเลสแต่น่าเกลียดมั้ยมีพระองค์ไหนมานั่งเทศน์ด่าโยมพวกนี้ทำบุญรับหลากกันหายโลกนี่กิเลสทั้งนั้นใช่มั้ยไอ้ก็เป็นโลกอย่างยิ่งมีอยู่ทำไมมันก็ เป็นโลกแต่มีกินดีกว่าโลกต้องมีกินดีกว่ามันเป็นความจําเป็นและเป็นธรรมดาที่แต่ในแต่ละระดับขอขอ เลยได้ปนกันแล้วไปแสดงเหตุผลปนแต่ว่า นะแล้วคนที่ทําบุญพวกนี้เค้า เนี่ยก็มันก็สลับไปสลับมาอย่างนี้ซึ่งเราก็พบว่าพระที่ดี แล้วก็อย่างพระอยู่ในบรรยากาศนั้นด้วยจึงจะจึงท่านใครเอาอะไรพระพระเจ้ามหาก็อาชนะดีๆทุก ก็พิจารณาทําให้เกิดกุศลชวนะได้หมดพระพุทธเจ้าก็สอนเน้นตรงนี้มากแก่บลาทั้งหลายทีนี้ถ้าเป็นในระดับเนี่ยเราใช้เอาไอ้ที่มันเป็นคําหัว <c oughs> เราพิจารณาก่อนเลยว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือจะได้เลื่อนตําแหน่งนะหรือจะได้มรดกเออหรือแต่เนี่ยนะต้องพิจารณาไว้เลยว่า ให้มันยิ่งกว่าการพึ่งความดีพึ่งกุศลกรรมอะไรพวกนี้เนี่ย เงินไหลก็ไม่ออกนอกทางเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาทวงสัญญากับความตั้งใจแรกของเราแล้วเช่นเป็นพ่อเป็น ที่เราต่างๆอย่างนั้นเราก็พิจารณาพอมาถึงแล้วถึงเวลาว่างๆเราก็พิจารณาบ้างตามสมควรพิจารณาพอเอ่อรักษาสัญญา แต่ทุกเรื่องเราก็ใช้ได้หมดซึ่งใครที่ที่เมื่อวันพูดไปหัดรายการวิทยุก็ให้ตอนพูดแล้วคนที่นั่งในห้องเทก็ฟังแล้วก็ดุ้งแล้วก้มหน้ากันเลย <c oughs> ปี 36 เนี่ยบางคนก็ไม่ได้มีโอกาสไม่ได้รู้ปี 36 คนปีตายของตัวใช่เตรียมการดีไปฉลองปีว่าปีนี้คือปีตัวบางปีเมื่อวานดูในหนังสือพิมพ์ก็เจอใครบ้างปี 36 เลย. ฉลองมากเลยฉลองฉลองรับเตรียมจะอยู่ปี 37 นะเตรียมมากไปเลยตายแม้พวกที่นั่งนมบั้งจริงๆบ้างเลยจะนึกหูไปจ้องไปก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็บางคนก็ไม่ปี 37 น่ะเป็นปีตาย นliament avez nuru ut split of the years color or color cup 37 first decided not to be the second day of our human brand yeah like salted park 36 would be our last day of tram right vid Ashland행 we have a new couple that we have last year of war we should have made because we were trying to handle him Let's see what we want to แต่แกเขียนให้เผลอทั้งแกล้งเผลอเขียนในปี 36 ตลอดไปมันก็ไม่ตรงมันก็ปี <c oughs> 37 อยู่ดีอาจารย์เนี่ยเราก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะเราก็คิดเวลาซื้อหนังสือ บางเล่มซื้อมาปี 2500 24 แล้วก็หนังสือมานี่นะเปิดมาดูตั้งวัน 124 นี่มัน 36 แล้วใช้ 10 ปีแล้ว 20 ก็มีมัน 10 ปีแหม อยู่ก็ได้ยังนะแต่เวลามันผ่านๆให้ๆเผื่อ นอกเหนือไปจากการเสียอย่างอื่นแม้แต่เสียชีวิต แล้วก็นิสัยดีนิสัยชั่วเอาไว้เนี่ยครับเวลามัน กรรมดีกับนิสัยดีเนี่ยบางทีมันก็ต่างกรรมต่างวาระบางทีก็ นิสัยดีก็มีแล้วก็กรรมเลวนิสัยเลวอันนี้ แล้วก็ผลเหตุหลายอย่างไม่ได้ทําหรือทําให้เกิดเหตุเอตัวมโน มันไปอยู่ในวิถีจิตที่เป็นผลผลของกรรมดีแล้วตัวมันๆและพร้อมกันนั้นเขาก็มีอย่าง ไอ้กรรมนี่กับนิสัยดีบางหรือบอกเกิดที่ใสมันมาจากนะมันแยก นิสัยก็ได้มาจากการทํากรรมนั่นแหละ หลวงพระพุทธเจ้าท่านแสดงถึงอุปกรรมของคนเนี่ยอ่านในในธรรมบทเนี่ยจะเห็นว่าท่านจะแสดง 2 อย่างแสดงในอุปกรรมเนี่ยนะคืออุปกรรมมันคือเราอุปกรรมหมายถึง รู้แสดงอ่าสู่ต่ออนุสนธิก็ดีพอไปแสดงของกล่าวกุรูอ๋อคนนี้มีสายนี้เค้าได้มาเพราะทํากรรมอัน อะไรถ้าลองผิดแล้วแล้วก็ท่านจะไม่ยอมกระทําเด็ด เนี่ยเป็นนิสัยของพระสารีบุตรทํานองว่าพูดแล้วไม่คืนคําไม่กลืนน้ําลายตัวเองก็อันนั้นก็เนี่ยหมายถึงสร้างกรรมสร้าง เราถึงรู้สึกว่ามุนีแสดงกระโดดไปกระโดดมาทำไมจึงแสดงนิสัยไว้ที่แสดงกรรมไว้ที่นี่หลอกเหลือไปจากว่าอ่าคนบางคนได้รับกรรมได้รับวิบากเคราะตรงนี้มาเคราะตรงนี้ นี่ก็เป็นข้อฆ่าจริงๆสับสนโอละหม่านมากกว่านี้ทีนี้กันเท่านั้นเพราะจะเกิดร่วมวิถีแต่ <c oughs> ถ้าพูดไม่เอาวิถีเอาเป็นคดีเป็นกรณีอย่างทํานองว่าไอ้ตัณหาควิทอย่างพรามคนหนึ่งเคยชอบได้น้ําอย่างในปสูติวันเนี้ยเอ่อพรามคนนี้น่ะเป็นคนที่ชอบได้น้ําชอบชื่อ ไอ้คนรับใช้ที่เอามาส่งที่วิหารโลตเจ้าฉันหายคนนั้นจาก ก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าที่วัดไปท่ามกลางประชาชนด้วยความรู้สึกว่าเขานิสัยกับกรรมมัน แต่ว่าคนละวิถีกันน่ะแต่มันเกิดในคดีกรรมเดียวกันอื่นก็ว่าอย่างคนบางนะถึงจะสุขภาพไม่ดีถึง ถึงคราวที่เขาร่ํารวยเขาก็มีไสยดีอําบุญทรัพย์บาทของคราวยากจนก็ยังยังทําบุญอย่างอานาถาวิบากเสถียรอย่างนี้หนึ่งไม่เอ้าอย่าเรียกว่าครับ ไอ้ยาวก็โซต่อยกมือนะคนๆมี 4 นี่คงจะลําบากคือกลายเป็นว่า ก็ไปช่วยโทษอ่อโทษแม่โทษที่โทษน้องโทษละโทษจ๋าหมดหลุพรานที่ไปดักสัตว์แล้ว ข้างหน้าอทิตุปาฐะจิตแล้วก็ 15 นาทีครับ